ผลมะม่วงผลมะง่วนี้ถ้าไม่ใช้มีดปอกเปลือกหนาข้างนอกออกให้หมดเสียก่อนกินเข้าไปก็จะได้รสขมต่อเมื่อปอกเปลือกออกหมดดีแล้วจะทำให้ได้กินรสเปรี้ยวอร่อยดีของผลมะง่วนี้เช่นเดียวกับพระราชาผู้เป็นบัณฑิตทรงปอกเปลือกที่ขมออกไปคือไม่มีพระไทยเหี้ยมโหดต่อชาวบ้านและชาวนิคมไม่เบียดเบียนประชาชน ไม่บีบคั้นขูดรีดภาษีเพิ่ม <c oughs> เพื่อรวบรวมพระราชทรัพย์ไว้แต่จะพระราชทานเนื้อในที่อร่อยคือทรงประพฤติตามธรรมทรงสร้างแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองแก่ราษดรนนะเนี่ยเปรียบเทียบแล้วก็เข้าใจเปรียบเทียบดีพูดง่ายว่าวิธีส ก, กิดเนี่ยวิธีส ก, กสิดสะเกา ว, วิธีสอนผู้ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราบางทีตรงเพงเลยอะ มันไม่ได้หรอกนะบางครั้งเราก็เนี่ยอันนี้เป็นการแสดงความอ่อนน้อมอย่างหนึง่งไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่ทําผิดเห็นเห็นอย่างเงี้ยเราก็พูดเลยเหมือนเด็กสังเกตไหมเด็กที่บางทีมันไม่รู้การะเทสะไม่รู้อะไรเนี่ยนะบางทีเห็นผู้ใหญ่ทําผิดพูดตรงๆเลยนะอย่างเช่นบางทีผู้ใหญ่พูดมันไม่ถูกเนี่ยพูดมาผิดผิดหรือว่าพูดโกหกออกมาเนี่ยบางทีเด็กก็จะชี้หน้าเลยนะ เพาะว่เด็กมันไม่กลัวฟ้ากลัวดินอะไรมันไม่รู้อะไรที่หน้าเลยบอกเนี่ยโกหกแหละจริงจริอแต่ว่าเราเองเนี่ยถ้าเรามีความรู้แล้วเรารู้ความพอเหมาะพอควรอะไรอะ่ะยิ่งเรารู้ว่าเอานี่เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมบางทีมีวาสนามีบารมีมีคนรักมีคนเคารพต้องเยอะแยะบางทีต่อให้ผิดจริงเนี่ยถ้าเราพูดออกไปแล้วต่อให้ พระราชาอาจจะไม่โกรธไม่เกียดเรานะตั้งแต่คนที่รักพระราชาเนี่ยอาจจะเล่นงานเราก็ได้นะเอาอาจจะชังหรืออาจจะไม่ชอบเราก็ได้อีกนะต่อให้พระราชาใจดีด้วยเอาแต่คนอื่นที่เขารักเขาเคารพอยู่เขาจะไม่ชอบว่าอันเนี้ยต้องดูกาลเทศะดูความพอเหมาะพอดีว่าเออถ้ากับผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเราจะพูดยังไงยกตัวอย่างสมมุติเห็นละเห็นละเห็นสมณะทําอะไรผิดละวนะ จะบนสาราก็แล้วแต่หรือจะนอกสาราก็แล้วแต่เราเห็นสมณะทาผิดแล้วทําไม่ถูกแล้วที น, นี้เราบอกแล้วนะมิตรดีสหายดีนะการที่อยู่ปฏิบัติธรรมวยกันเนี่ยบางครั้งเราเห็นแล้วว่าเอ้ยท่านทําไม่ไม่ถูกและเมิงทําไม่ดีละเมิงปล่อยเฉยเฉยอะไรนะชั่วช่างชีดีช่างสงอ๋ออย่างงั้นไม่ถือว่ามิตรดีสหายดีมิตรดีสหายดีเนี่ยถ้าเห็นเพื่อนทําไม่ถูก ทำผิดแล้วต้องติงเตือนแต่บอกแล้วเมื่อเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเอ้าเราต้องฉลาดว่าเอจะใช้วิธีไหนนะที่จะเตือนแล้วก็ส ก, กิดสะ ก, กาทำให้รู้ว่าเนี่ยนี่ ย, ยอันนั้นมันไม่เหมาะอย่างนี้นะมันไม่ถูกอย่างนี้นะจะต้องฉลาดนะและนี่แหละมันแสดงให้เห็นถึงทั้งไหวพิบปฏิพัน์ทั้งรู้กาละเทศะเนี่ยมีสัพปริสธรรมอันนี้แหละ มันจะไปรอดไม่รอดไม่ใช่ว่ามีแต่คําจริงมีแต่ความจริงพูดไปแล้วเป็นไงตายมาเยอะแล้วที่เขาบอกว่าอะไรเนะี่ยสำนวนเขาะคนที่พูดความจริงเนี่ยเออตายมาเยอะแล้วอะไรนะคําความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนพูดความจริงมันจะตายเานี่ต้องต้องรู้ไว้ด้วยนะเสร็จนี่ดูวิธีเปรียบเทียบที่บอกเออ อันนี้เห็นเลยเนี่ยคือศิลปะอันอุดมมีเทคนิคนะพอเห็นส้มโอใช่ไหมเอมมงั่วมังม่ ว, มมวไม่ใช่ส้มโอเห็นผลมังม่วเนี่ยพอได้มาพระราชาถวายให้ซะด้วยสิแอบอกเออเดี๋ยวจะกินให้อร่อยนี่ยจะกินยังไงก็บอกต้องปอกเปลือออกก่อนแหมข้างในมันเปรียปร้ยวๆอย่าหน่อยโอ้ถึงจะอร่อยจะกินข้างในก็อบอกเงี้เปียบไปเหมือนกับพระราชาไม่ได้บอกว่าพระราชาพระองค์นี้นะ แต่บอกว่าหมายถึงว่าเนี่ยเพราะราชาองค์ไหนก็แล้วแต่ผู้ปกครองเนี่ยแหละนะถ้าไม่ใบเบียดเปียนชาวบ้านชาวช่องเขาหมายถึงว่าปอกเปลือกภายนอกเนี่ยที่ไม่ดีเนี่ยเปลือกที่ไม่ดีคืออะไรเพราะว่ามันขมอะ่ะมันมันก็คงเหมือนเปลือกส้มโอมึงนะอ่าเพราะว่ามันมีน้ํำมันมีอะไรอะ่ะขมนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าปอกเปลือกไอข้ขมๆพวกนี้ออกซะข้างในจะอร่อยนะอ่า ว่าเนี่ยปอกอะไรบ้างความเบียดเบียนเนี่ยไปขูดรีดไปเอาภาษีราษฎรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยบอกเอ้าอย่างนี้ราษฎรใครที่ไหนก็จะไปรักเขาจะไปชอบละ่ะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเบียดเบียนอย่าไปอะไรพวกนี้ก็พูดไปแบบกลางๆเนี่ยแหละแต่มันจะไปสกิดใจของพระราชานะมันน่าที่จะให้เนื้อในที่เนี่ยเปรียปร้ยวๆหน่อยๆ ห, หอมหวานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะ ใ ห, ให้ประชาชนกินสิประชาชนมีความสุขก็จะรักพระเจ้าพรมทัตทรงพิจารณาคำพูดนั้นแล้วทรงเข้าใจความหมายของมหาอัมมาตได้ดีนะทรงเก็บความรู้สึกนั้นไว้ภายในแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินออกจากบริเวณนั้นพอดีพานสะโบกกรณีที่มีดอกบัวบานสะพังอยู่เต็มสะได้ทรงได้ตรัสชื่นชมดอกบัวออกไปว่า ดอกบัวงดงามเหล่านี้เกิดอยู่ในน้ําแต่กลับไม่เปียกน้ําเลยหน อ, อเห็นทัศนียภาพรื่นดมสวยงามเห็นดอกบัวก็ชมนะเออดอกบัวสวยดนะีขนาดดอกบัวเนี่ยทั้งสวยทั้งงามอย่างนี้ก็เออก็อยู่เหนือน้ําได้ผู้เองไงคือไม่เปียกน้ำนั่นเองเป็นโอกาสแหมยอยากจะบอกว่าเป็นโอกาสทองอีกแล้ว เป็นโอกาสทองนะของอมสาธอีกครั้งได้กราบทูลเตือนสติแก่พระราชาว่าดอกบัวเกิดในน้ำใสสะอาดชูดอกขึ้นพ้นน้ำเบ่งบานยามต้องแสงอาทิตย์แม้เปลือกตมก็ไม่เปื้อนผงธุรีก็ไม่เปลอะน้ำก็ไม่เปียกชั้นใดพระราชาผู้ทรงวินิจฉัยคดีโดยชอบธรรมไร้อคติ ไม่ตัดสินโดยผุนผลันมีพระราชกิจบริสุทธิ์ปราศจากกรรมที่ชั่วช้าย่อมไม่แปบเปื้อนการกระทําอันเป็นกิเลสเสมือนดอกบัวที่เกิดในน้ําใสสะอาดฉะนั้นอาตอมาอ่านตรงเนี้ยชอบจังเลยนะตรงตรงสำนวนที่บอกว่าแม้เปือกตมก็ไม่เปื้อนไม่เปื้อนดอกบอกบัวเนยนะแม้เปลือบตมก็ไม่เปื้อน ผงธุลีก็ไม่เปื้อนน้าก็ไม่เปลี่ยนมั น, ม, นมันสอดคล้องอะ่ะมันเหมือนกับกรอนฟังดูแล้วแม่ไม่รู้สินะพวกกูเป็นกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่อาตมาเวลาอ่านเจอทํานองแบบเนี้แมมันรู้สึกโอ้ไปทับใจจังเลยรู้สึกชอบรู้สึกชื่นชมมันเหมือนกับแหมมันแล่นลึกเข้าไปในหัวจิตหัวใจเราแล้วก็มันมีปิติะมันมีความสุข ไม่รู้พวกคุณอ่านแล้ ว, วคุณรู้สึกอย่างนี้กันบ้างไหมเนี่ยอัตามาเคยอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยจริงจิ ง, จ ง, จงมันก็ไม่ได้แหมเป็นสำนวนกวีเป็นอะไรนั่นก็เป็นภาษ า, ษาธรรมดาเนี่ยโอ้โหแต่พางที่อ่านแล้วน้ำตาไหลเลยนะพประทับใจอ่านแล้วโอ้หน้ำตาไหลหลายครั้งหลายครั้งที่อ่านแล้วแมประทับใจมากๆหลายเรื่องเลยนะที่ที่อัตามาอ่า น, อ, านอ่านพระไตรปิฎกมาเนี่ยโอ้โห ประทับใจจนบางทีเนี่ยนอนไม่หลับเลยนะจริงๆคือคือส่วนใหญ่มักจะอ่านตอนเย็นๆนั่นะคือทํางานอะไรเลือกงานเสร็จแล้วเนี่ยชอบอาตมาสมัยก่อนเป็นคราวาดอยู่เนี่ยชอบขึ้นไปบนดาดฟ้าเพราะดาดฟ้านี่ไม่มีหลังคาที่บ้านเนี่ยไม่มีหลังคาโล่งหมดเลยนะแต่มีที่ที่กว้างๆไม่มีอะไรเลยนะส่วนใหญ่แล้วโล่งๆกว้าง ก็ขึ้นไปเนี่ยก็ถือพระไตรปิฎกขึ้นไปเล่ม น, นึงก็ไปนั่งอ่านไปเดินอ่านโอ้อ่านไปพิจารณาไปประทับใจมากมีความสุขบอกตรงๆเลยรู้สึกชีวิตนี้มีความสุขมากเลยแต่อ่านพระไตรปิฎกนะได้พิจารณาธรรมะไปตามนั้นสุขอะไรนะสุขชนิดนี่หรือจะลืมโอ้สุขมากๆแต่ก็บางทีก็นึกๆอยู่ในใจเหมือนกันนะปะ เอ้คนอื่นเนี่ยเวลาเขาอ่านแล้วก็เป็นยังไงนะแต่ฟังฟังดูหลายคนนะนะที่พอเอาพระใจไปตกไปอ่านเนี่ยแต่และคนมาบอกว่า <S <S เบื่อมั่งอ่าแล้วก็บอกไม่รู้เรื่องมัง่งอ่านแล้วก็หลับมัง่งเอ๊ะเราก็นึกเอ้ทาไมมันเป็นอย่างงั้นน่ะเอ้ทําไมไม่ไม่ไม่ไมไมชอบเหมือนอาตมาชอบนี่อาตมาอ่านไปประมาณไม่มีเวลาถ้ามีเวลาเนี่ยโอ้โห จะอ่านทั้งหมดใหม่อีกจะอ่านทั้งหมดใหม่อีกตอนนี้อ่านไปได้อย่างน้อยๆในชีวิตตั้งตั้งจิตเอาไว้แหละว่าอย่างน้อ ย, อยต้องอ่านให้หมดทุกเล่มไม่ใช่อ่านหน้าปกนะ <c oughs> อ่านให้หมดทุกเล่มอ่านเนื้อในด้วยนะคืออ่านให้หมดทุกเล่มสมมตุติของใหม่นี่เขาสี่สิบห้าเล่มใม่ไหมแต่ของเก่าเขานะ่ะแปดสิบเล่มหรือไงเนี่ยนะ นี่ยยังใ้น้อยต้องอ่านให้จบในชีวิตนี้หนึ่งเที่ยวตั้งจิตเอาไว้แล้วตั้งแต่นู่นเนี่ยตั้งแต่สมัยปฏิบัติธรรมใหม่ๆโชคดีที่ยังไม่ตายซะก่อนอ่านจบไว้ได้ละเออสมกับที่เหมือนกันแล้วว่าเราอธิษฐานจิตเอาไว้ว่าเราต้องอ่านให้จบเราก็จะอ่านอย่างตั้งใจนะพยายามอ่านอย่างตั้งใจยกเว้นเจออภิธรรมท่านนั้นมาเมินมือหัวจังเลยอภิธรรมเนี่ยโอ้โหไม่เอยรู้เรื่องยอมรับเลยอภิธรรม แตเนี่ยตั้งแต่เล่มหนึ่งไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อย น, นะภาคที่เป็นวินยัยแล้วก็ภาคที่เป็นพระสูตรอะไรต่างๆโอโ้โหสนุกมากถ้าพวกคุณเนี่ยถ้าจะไปอ่านเนี่ยเริ่มไปอ่านที่เล่มที่เก้านะเป็นเป็นส่วนของพวกพระสูตรอะไรต่างๆอ่านแล้วเออสนุกหน่อยมันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรไปต่างๆถ้าวินัยนี่ก็มีแต่เรื่องของวินยัยอ่ะเจ้าบัญญัตินะภิกษุทําผิดมาอย่างนั้นอย่างนี้ก็บัญญัติข้อนั้ น, ข, นข้อนี้ขึ้นมา อันนั้นบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะมันจะมีเรื่องอะไรอ่ะแต่ใครอ่านส่วนของพระวินัยโอ้โหคนนั้นจะได้ความละเอียดละอ่อแล้วคุณจะตัดสินอะไรคนเนี่ยคุณจะได้ความรู้ในเรื่องของการวินิจฉัยคดีการตัดสินคดีคุณจะได้ภูมาทําเรื่องนั้นนะเพิ่เพราะละเอียดมากพระเจ้านี่ท่านมีไว้หมดเลยนะขั้นหนักเป็นยังไงลงโทษขั้นกลางเป็นยังไงขั้นเบาเป็นยังไง เสร็จแล้วบัญญัติขึ้นมาแล้วว่าใครทําอย่างนี้ผิดเนี่ยเอามีว่าเออบางครั้งเนี่ยมันมีเหมือนกันผิดแบบนี้นี่ถ้าจิตเป็นอย่างนี้หรือพฤติกรรมเป็นอย่างนี้บางทีท่านกา็เอา้าอนุโลมได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โอ้มันยังมีข้อแม่อีกในความผิดต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอ่านช่วงพระวินัยตน้ตนๆนี่โอ้จะเรียนรู้พวกนี้มากเราจะเป็นถ้าถ้าอ่านอย่างศึกษาอ่านอย่างเอาประโยชน์เข้าหาตัวเองนะ จะเป็นคนที่ไม่ลงโทษตัวเองสุมสี่สุมห้าแล้วก็ไม่ลงโทษคนอื่นอย่างสุมสี่สุมห้าด้วยเพราะว่าจะเข้าใจว่าอ๋อมันมีวิธีการมีขั้นตอนนะบางทีเนี่ยฟังความข้างเดียวไม่ได้ต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาพิจารณาร่วมกันอาแล้วถ้าเกิดไม่ยอมเดียกันทั้งคู่จะแก้ปัญหายัางไงเนี่ยในนนอะหัรายละเอียดเยอะ เนี่ยตั้งแต่เล่มหนึ่งถึงเล่ม8จะเป็นรายละเอียดพวกนี้นะซึ่งเนี่ยถ้าใครลองไปศึกษาใครลองไปอะไรอ่ะอ่านดูนะอาตมาว่าโอ้โหจะได้ความปิติได้ความสุขใจอีกเยอะเลยอะไรนะอ๋อที่ย่อมาแล้วเหรอเอาย่อมาแล้วนั่นก็อีกอีกอย่างหนึงสิอันนั้นก็มีคนไปย่อมาให้พระไตรปิฎกฉบับยอ่อนะใครไม่อยากอ่านยาวก็ไปอ่านยอ่อ เขามีคนทําเยอะอันนี้เป็นพระไตรปิฎกเหมือนกันแต่ว่าในพระไตะปิฎกเนี่ยจะมีสั้นๆ น, นะไม่มากเท่าไรไม่ยาวแต่ว่าส่วนที่เป็นขยายยาวเนี่ยเขาเรียกว่าอัดถขกถาคือเป็นพระไตะปิฎกเหมือนกันแต่เป็นพระไตะปิฎกที่เกจิอาจารย์ต่างๆเนี่ยมาขยายเพิ่มให้แหละวันส่วนพวกเนี่ยบางทีเนี่ย มันอาจจะมีผิดผิดบ้างอะไรบ้างเพราะว่าแล้วแต่ภูมิของเกจิอาจารย์นั้นเนี่ยไปขยายความความยังไงบ้างพระพุทธเจ้าบางทีตัดจริงแต่ท่านตัดแค่เป็นประโยคอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นเองอแต่ว่าเกจิอาจารย์เนี่ยท่านก็มาบางทีมาแต่งมาประพันธ์เพิ่มเข้าไปว่าอย่างนี้อย่างนี้เพราะนั้นชาโดกบางเรื่องกูไปอ่านเธอโอ้โหอิทธิฤทธิทธิเดชอะไรเกินมนุษย์มน่าเกินความเป็นจริงจนเลอะเทอะบางที เพราะมีทั้งหมดตั้งห้า้อยหสิบเรื่องชาดวกทั้งหมดมีห้ารอยห้าสิบเรื่องเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ภูมิของเราด้วยพิจารณาในการอ่านโอ้ไม่ยากไม่ยากเราไม่อ่านเถอะไม่ยากเลยเพราะเป็นภาษาไทยไ น, นะ <c oughs> อ่านออกอยู่แล้วเออ้ากุนไปอ่านเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษอะไร <c oughs> เขามีทั้งนั้นเลยนะอภาษาปิโะ่ะภาษาบาลีอ่อ อั น, นั้นไม่ต้องพูดถึงอะ่ะภาษาไทยก็แปลมาให้เสร็จแล้วอะไรก็อ่านรู้เรื่องหมดแหละเอ่อันไหนมันน่าจะฉ ง, งนสนเทอะไรเขาก็มีกำกับเขาก็มีบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นสบายมากเลยเพียงแต่ว่าอ่านใหม่ๆมันไม่คุ้นมันไม่เร็วทันใจเหมือนดูหนังทุกวันนี้นะมันฉุบฉับฉุบฉับฉุั บ, บน้าตัดตอนไวไอ้ น, นี่เหมือนกับ เหมือนเหมือนกับบางทีคุณดูลิเกะลิเกกว่าจะออกลงแหมกว่าจะลบกว่าจะฟันกันนะตะแรงแต่ ง, ง ต, ตึงตะแรงแต่งตึงไปไปม า, มาแหมมันยืดเยื้อโอ้โหกว่าจะรู้เรื่องแหมพูดบอกว่าจะออกจากปา่าทันทีนะก็ร้องอยู่นั่นนะแหมค่อยๆเต้นไปเต้นมากว่าจะออกจากปา่าโอ้โหมันยืดเยืเ้อเหลือเกินในหนังเดี๋ยวนี้ผมบอกว่าจะออกจากป่าเพราะมันตัดชัวร์ออกมาแล้วมันเลย ใจคนเราทุกวันนี้ถึงได้ใจเร็วเพราะเราอยู่กับสภาพแวดล้อมที่อะไรอะไรมันเร็วมันเร็วมากแต่ก่อนคุณกว่าจะหุงข้าวได้คุณกว่าจะทํากับข้าวได้คุณต้องไปอะไรนะติดไฟก่อฟืนอะไรต่ออะไรนะกว่าคุณจะไอ้นั่นเดี๋ยวนี้คุณเอาใส่หม้อปับป๊บกอดปั๊บเดี๋ยวมันสุกออกมาให้คุณกินเพราะฉะมันอยู่ในโลกของของความไวของความเร็ว แต่เป็นความวัยเป็นความเร็วที่ทำให้คนเราเนี่ยเผลนหรือว่าเลยกลายไปง่ายๆเพราะนั้นขาดความลึกซึง้งคนทุกวันนี้จึงขาดความลึกซึง้งไม่ละเอียดละออจริงสมัยก่อนดูแล้วบรรช้าแต่ในความช้านั่นแหละมันทำให้เออทำไม่นีก็เป็นแล้วก็ทำไอ้นั่นก็ได้รู้ขั้นตอนกว่าจะทำแล้วทาส่วนใหญ่ทำด้วยมือตัวเองซะด้วยนะนะจะหันจะปรุงจะ ทอดจะอะไรต่ออะไรจนกระทั่งสําเร็จออกมาเพื่อเพอยิ่งสมัยก่อนต้องปลูกข้าวเองใช่ไหมต้องเกี่ยวเองต้องดั้เองต้องอะไรเองเสร็จหมดแล้วไม่มีโรงสีสมัยก่อนก็มาตําเองโอ้โหกว่าจะมาเป็นข้าวกินได้ไมันรู้หมดเลยทุกขั้นตอนเลยแต่จริงอะ่ะกว่าจะได้กินนี่มันก็โอ้โหแต่เห็นไหมจะเป็นคนรู้รายละเอียดรู้ขั้นตอนรู้ อะไรหมดเลยอะไรเป็นยังไงมายังไงอะไรทําก่อนทําหลังยังไงเนี่ยจะมีความละเอียดละออ่อลคนเดี๋ยวนี้ไม่รู้ต้นข้าวยังไม่รู้จักเลยเอาต้นข้าวกับเอาต้นหญ้าเอาไปให้ไม่รู้จริงๆนะแต่มายังเคยพูดไปฟังเลยเนี่ยแหละอันตราคนหนึ่งเลยไม่รู้สมัยก่อนนะสมัยก่อนยังไม่มาอยู่วัดเนี่ยไม่รู้จริงๆเวลานั่งรถผ่านเนี่ยเห็นไอ้เขียวเขียวเนี่ย ไม่รู้แล้วว่าข้าวหรือว่าหญ้าต้องถามคนเขาอยู่เรื่อยอะว่านี่มันต้นอะไรมันต้นข้าวหรือมันต้นหญ้าอ๋อไอ้เหลืองเหลืองมันออกไอ้นั่นแล้วมันก็รู้สิแหมแต่ถ้าเมื่อมันไม่ออกมันไม่ออกมันคล้ายๆกันแหละใช่ไหมหญ้ามันก็มีเขียวๆเหลืองๆมันก็มีแต่ตอนนี้มันต้องรู้ที่ต้นมันใช่ไหมต้องมองที่ต้นมันออก ใช่มันดูผิดอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่ไม่คุ้นเลยเนี่ยหรือว่าไม่เคยเห็นเลยแยกไม่ออกนะมันมันมันมองอยังไงไม่รู้อะนั่นแหละแต่ก่อนมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนี่แหละมาอยู่อาศกนี่ยนะเนี่ยมารู้เอาเมื่อมาอยู่อาศุกเนี่ยเออบางทีไปดูเขาอะไรอะทําไร่ทํานาบ้างอะไรเงี้ยถึงได้เออเออค่อยๆได้ได้หยิบได้จับบ้างเออค่อยๆสังเกตจะถึงจะค่อยๆพอมองออกบ้าง ก็ยังไม่เก่งกนะแต่ว่าเออพอเริ่มเริ่มมองออกบ้างแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าให้เห็นว่าคนเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยอะไรอะไรที่ง่ายๆเสร็จง่ายๆได้มาง่ายๆกินง่ายๆนะที่อยู่อาศัยง่ายๆนะยกมาเสร็จเลยบางทีบ้านไม่ต้องไปมัวตอกเตอก็เลยยกมาถึงคุณเข้าไปนอนได้เลยบ้านอ่า อะไรง่ายๆนี่ยแหละมันทําให้ไหวพริบสติปัญญานะการเรียนรู้อะไรต่างๆของเราเนี่ยมันถึงได้หยาบมันถึงไม่ค่อยรู้รายละเอียดเพราะฉะนั้นคนสมัยโ บ, โบราณทําไมบางทีโอ้โหเรื่องจิตใจเรื่องรายละเอียดของจิตใจเนี่ยสภาวะจิตอะไรถึงละเอียดกว่าคนสมัยนี้การคิดคํานึงอะไรต่างๆทําไมต้องมีจารีอย่างนี้มีประเพณีอย่างนี้ บางทีกว่าจะได้มาเนี่ยจารีดประเพณีต่างๆโอ้โหผู้หลักผู้ใหญ่เขาคิดกันมาเขาทํากันมาสร้างจารีดประเพณีแบบนี้เพื่อเป้าหมายจะสอนเด็กหรือว่าสอนคนรุ่นต่อๆไปนะให้มีวัฒนธรรมหรือว่ามีจิตใจเป็นอย่างงี้อย่างงี้นั่นแหละจริงๆมันมีเหตุมันมีผลทัง้งกันนะแต่คนทุกวันนี้นี่ไม่รู้เลยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุไม่รู้อะไรแล้วก็ไม่คิดด้วยเอาง่ายๆอย่างสงการเนี่ยที่ผ่านมามันก็คิดจะเล่นน้าสาด น, น้ํากันเท่านั้นเนี่ มันไม่คิดหรอกว่าว่าจะเกี่ยวอะไรด้านจิตใจได้อะไรบ้างไม่ครับก็ทําเล่นไปสนุกไปเท่านั้นเองเอะจะได้ประโยชน์หรือจะเสียประโยชน์อะไรไม่สนใจขอให้ได้เล่นนั่นแหละคิดตื้นๆแค่นั้นแต่ไม่หรอกคนโบราณเขาคิดมากกว่านั้นแล้วเขาก็เข้าใจมากกว่านั้นด้วยเพราะการจะมีสงการแม้ของโบราณมานี่โอ้เขามีเป้าหมายเขามีเหตุผลนะแล้วก็เขาก็ รักน้ำด้วยนะคนสมัยโบราณเ อ, อไม่เหมือนเดี๋ยวนี้แล้วโอ้โหไม่ไม่มีใจที่จะรักน้ําเลยน้ํามันถึงได้เน่าเสียเต็มไปหมดเนี่ยเพราะว่าไม่มีจิตใจที่รักน้ําฮะเออเรียกถึงเรียกแม่พระกรงคาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแม่พระธรณีอะไรเนี่ยเขารักน้ำรักดินเขารักธรรมชาติเขามีจิตจิตวิ ญ, ญญาณที่ที่ดีเดี๋ยวนี้จริง ต่อให้พวกเราเนี่ยในที่นี้เราบอกว่ารักธรรมชาติรักธรรมชาติแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเรารักธรรมชาติขนาดไหนเนี่ยต้นไม้ใบหญ้าพื้นดินหินหรือว่าอะไรสถานที่ที่เราพักอยู่อาศัยนี่เรารักขนาดไหนถ้ารักจริงเนี่ยเราก็จะต้องทนุบำรุงดูแลนะรักษาแล้วก็ช่วยเหลือด้วยอย่าไปให้มันเสียอย่าไปให้ดินมันเสียจะ่าให้น้ํา ม, มันเสียอย่าให้อากาศเสียแต่คนทุกวันนี้ไม่คํานึงเลยส่วนใหญ่เลย อะไรจะเสียก็ช่างอนะ่ะขอให้ฉันสบายขอให้ฉันมีความสุขเท่านั้นพอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยคือความแตกต่างมากๆอ่ะตอนนี้แหมพูดไปไกลเลยนะที่จริงพูดว่าอะไรนะนิยมชมชื่นประโยคที่ที่มหาอัมมาเนี่เปรียบเหมือนกับดอกบัวที่เกิดในน้ำเนี่ยใสยสะอาดนะพอได้รับแสงอาทิตย์ก็บานใช่ไหม แม้เปือกตมก็ไม่เปื้อนนะผงธุรีก็ไม่เปอะน้าก็ไม่เปลียนนะเปลือกตมเปลือกตมไม่เปื้อนคำว่าเปือกตมเนี่ยบางทีผู้เจ้าท่านเปรียบเหมือนกับพวกกามนะเปลือกเปือกตมก็ไม่เปื้อนนะก็คือกิเลสต่างๆนั่นเองนมันไม่มาเปิดเปื้อนดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำขึ้นไปได้แล้ว ผงทุลีก็เนี่ยผงทุลีก็เป็นกิเลสอาจจะเป็นผงอะไรอะ่ะทุกวันนี้ผงพิษเยอะแยะเลยไอไอ้เนะ่ยขมเารถนะหรือว่าควันโรงงานอา่าที่เป็นพิษอะไรอย่างงี้นะเนี่ยผงทุลีก็ไม่มาเปิะไม่มาเปื้อนโดยเฉพาะกิเลสแล้วผงโทสะอา่าผง ม, มานะอา่าผงอะไรอ่อาที่มันจะเออมาเปิะเปื้อนไม่ได้น้ําก็ไม่เปียก อะไรพวกนี้นะก็กิเลสตัวไหนคุณกไ็ไปเปรียบเทียบดูเอาก็แล้วกันนะแต่นี้พอเปรียบดอกบัวอย่างนั้นปั๊บก็มาบอกว่าเนี่ยถ้าพระราชาที่มีความยุติธรรมในการตัดสินคดีพิจารณาเรื่องต่างๆนะอย่างดีและไม่ไปทํากรรมอันชั่วนะพยายามทำแต่กรรมดีพระราชานั้นนะไข่ไข่ก็รักเหมือนกับดอกบัวทรงสดับอัฏฐานั้นแล้วหมายถึงพระราชานี่นะ ทรงยอมรับคำสอนของมหาอัมมย์ด้วยดีทรงระมิจฉาทิฐิพอพระไทยในธรรมมะนั้นนับตั้งแต่นั้นมาพระราชาทรงเปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงครองราชโดยธรรมทรงบำเพ็ญบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้นทรงมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระศาสดาขั้นทรงแสดงชาดกนี้จบแล้วได้ตรัสอีกว่าพระราชาในครั้งนั้น ได้มาเป็นพระอนนท์ในบัดนี้ส่วนมหาอัมมาตผู้เป็นบัณฑิตก็คือเราตถากรชาตินี้เนี่เท่ากับพระอานนท์ใหญ่กว่าใหญ่กว่าอาดีตของพร ะ, พ, ระพุทธเจ้ า, าพระอนนท์เป็นพระราชาแต่พุทธเจ้าเป็นมหาอัมมาตเพราะนั้นอันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าพระโพธิสัตว์จะไปเป้าหมายจะไปเกิด เพื่อเอาประโยชน์อะไรในชาตินั้นๆเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่าพระโพธิสัต์ไปเกิดชาติไหนต้องเป็นแต่หัวหน้าเขาไม่หรอกปเป็นลูกน้องเขาก็ได้เพราะว่าชาตินั้นต้องการสั่งสมบา ร, รมีประเภทรับได้ไหมทนได้ไหมนะหรือว่าเนี่ยมีสติปัญญาไหวพริบช่วยแก้ไขให้กับเจ้านายได้ไหมถ้าเจ้านายผิดอย่างเงี้ยนะเพราะอันนี้ถ้าพวกเราเองเนี่ยเรา เอาฟังเรื่องนี้เราลองเอาไปดูซิบางทีไปนึกเปรียบเทียบกับตัวเราดูสิว่าเออสำหรับตัวเราเองเป็นยังไงงา น, นจิตใจในแต่ละวันเป็นยังไงบ้าง น, นเราเองเราเหมือนพระราชาพระองค์นี้ไหมบางครั้งก็เอเอลำเอียงเพราะไอ้นั่นเพราะไอ้นี่หรือเปล่าแล้วมีบางคนเข้ามาเตือนเราอย่างเงี้ยมาเตือนสติเราเนี่ยเราไปโกรธเราไม่ชอบใจหรือเปล่าอ่าแม้ต้องให้คนที่มาเตือนแบบมหาหอัมมาดนี่หรือเปล่า ถ้าใครเตือนเราตรงๆเนี่ไม่ได้นะฉันก็พระราชาองค์หนึ่งนะเพราะนั้นมาเตือนฉันตรงๆไม่ได้นะต้องเตือนฉันแบบเกงใจฉันหน่อยที่ไม่เกงใจฉันฉันไม่ยอมถ้าเตือนฉันอย่างเกงใจฉันถึงจะยอมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามีอัตามาณาแบบนั้นไหมถ้าเราเองเรารู้เข้าใจว่าโอ้ยจริงๆเราไม่ใช่พระราชาหรอกเราก็กระจอกกระจอกคนหนึ่งเหมือนกันโอ้โหเราจะไปหลงตัวอะไรใหญ่โตขนาดนั้นคนติคนว่าไม่ได้เชียวหรือ เออถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให้ตัวเราเออบางทีเล็กลงบ้างนะอย่าไปใหญ่ครับฟ้าอะไรนักเลยนะใจใหญ่ใจโตมากๆระวังเถอะใครเขายิงอะไรเขาแทงอะไรมาโดนหมดนะใครเนี่ยใจใหญ่ๆเนี่ยโดนหมดแหละว่าบางทีก็เออก็ไม่ใช่กายเป็นใจน้อยเลยนะคราวนี้ใจน้อยก็เดี๋ยวก็น้อยใจอีกแล้วก็เอาให้มันพอดีพดีนะรับฟังคนให้ได้กติจะว่าอะไรนะแล้วก็คิด อะไรเอามาพิจารณาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้กุศลหรือว่าได้สิ่งที่ดีขึ้นมาเอามาแก้ไขตัวเราเอา้าววันนี้ก็คงพอทานีีนะ